ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กนะครับของพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับจากคุณนิ้งนะครับพระอาจารย์คะนิ้งปฏิบัติมาประมาณสิบกว่าปีแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมันเป็น อ, อัตโนมัติซึ่งมันไม่ต้องคอยมาทำเองแต่มันทำหน้าที่ของมันเองอารมณ์มันเข้าไม่ถึงจิตแต่ก่อนที่จะได้สภาวะนี้คือตัวรู้มันเห็น กายและจิต ท, ทำงานของมันเองมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วมันเกิดบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สภาวะของจิตอัตโนมัติเป็นอยู่3เดือนค่ะหนึ่งก็คิดว่าสภาวะนั้นมันคงไม่เปลี่ยนแล้วปรากฏว่ามันเสื่อมค่ะหลังจากนั้นไม่เป็นจิตอัตโนมัติเลยมีแต่ตัวรู้แยกออกจากขันห้า แต่เป็นเฉพาะตอนั่งสมาธินะคะหนิงควรจะปฏิบัติต่ออย่างไรดีคะได้อยากราบว่าตัวรู้ที่เห็นกายกับใจไม่ใช่ของเราตัวรู้นั้นคืออะไรคะและมันเกิดดับเหมือนกันห้าใหม่คะขอบพระคุณคะ่ะเตัวรู้นี่นี่คือตัวจิตหรือตัวใจตัวใจนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับรู้อยู่ตลอดเวลาส่วนขห้านี้มีเกิดมีดับมีเปลี่ยนมี เริ่มมีแรงเริ่มเลื่อนนาก็าเปลี่ยนไปจากสุขไปเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ในจิตก็มีการเปลี่ยนแปลงาอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างอารมณ์สศกสัยอารมณ์ขุ่นมัวอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตแต่ตัวนี้วนี้จิตใจ น, นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู้อยู่สลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะรรู้ แบบปัญญายริู่้แบบหลงพอรู้แบบหลนก็จะยึดจิดก็จะเกิดตัณหาหรือความอยากให้สิ่งที่ยึดจิตเป็นไปตามความอยากของตนพอไม่เป็นไปตามความอยากของตนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจึงจะเป็นต้องสารใจสัรตัวรู้ให้ปล่อยวางไม่ให้ตระหง่านกับสิ่งต่างๆ ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ัวารู้มาแงะรู้มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นของได้เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีจรนมีเสียงเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเช่นเวทนาความรู้สึกนี้มีการเกี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้สุขเพียงอย่างเดียว เวลาความสุขหายไปก็จะเกิดความอยากให้ความสุขกลับมาพอไม่กลับมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการสารใจให้ฉลาดถ้าอยากจะให้ใจนี้อยู่ในสภาวะที่เย็นที่สบายที่ปล่อยวางก็ต้องมีปัญญาถึงจะรักษาควคามเป็นหนึ่งความเป็นกรารของใจได้ ถ้าไม่สอนใจเล้วออกมารับรู้มาสัมผัสกับสิ่งต่างๆถ้ามีความหลงก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนชอบนั้นอยากจะให้สิ่งที่ตนชอบนั้นอยู่กับตนไปนานๆแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปนานๆทุกสิ่งทุอย่างมีะวะของเขามีเวลาของเขามีมามีไปมีเกิดมีดบบมีเจริมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ต้องคอยสอนใจไม่ให้ไปยึดไปจิตไปอยากให้สิงนั้นงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราถึงจะสามารถรักษาเพราะสภาวะความว่างความสงบของใจได้ถ้าเราไม่มีปัญญาใจก็จะถูกความหอยา<ม>บอกบังให้ไปเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราชอบสิ่งใดเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราเป็นนา น, านถ้าเราไม่ชอบสิ่งใด เราก็จะอยากให้สิ่งนั้นหายไปเร็วๆแต่เราไม่สามารถไปสั่งก็ได้ไปควบคุมบังคับก็ได้ใช่เวลาเจ็บข้า่ได้ปวดเราไม่ชอบเราอยากจะให้หายทันทีทันดมันก็ไม่หายถ้าเราอยากให้หายแล้วมันไม่หายเราก็จะเพลียเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของาเหตุเรื่องของตับใจเมื่อตอนนี้มีเหตุทให้ร่างกายไม่สบาย ก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่าเหตุที่ทําให้ร่างกายไม่สบายนี้มันหายไปมอนเชื่อโกถูกถูกทําลายไปด้วยการรับประทานยาอย่างนี้ความเชื่อโลกถูกทำลายไปโรคภัยใกล้เกิดก็จะหายกันอยู่าการเจ็บภข้ได้ปวนความความทุกข์ในร่างกายก็จะหายไปแต่มไม่ได้หายแต่เทราว่าเราสั่งใี่มันหายขณะที่ไม่หายเราก็ต้อง ทำใจเป็นกลางใจวางต้องอยู่กับมันไปมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ส่มันไปบางทีล้วก็ทำให้มันหายได้บางทีเราก็ทำให้มันหายไม่ได้ถ้าทำให้หายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นเป็นโรคภัยบางอย่างเป็นแล้วรักษาไม่หายก็หนึ่งเช่นเป็นอมตะเป็นอมพาสอย่างนี้รักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป ถ้าอยากให้มันหายก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเวลาะไม่จําเป็นจะต้องไปทุกข์กับความเจ็บไข้อของของร่างการเพราะความทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากของเราเอางอยากให้ร่างกายนี้หายเป็นปกติทีนี้มันไม่ยอมหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าไม่หายก็เหมือนกันอยู่ก็เหมือนไปเราก็มานั่งทําสมาธิทำใจให้สงบ เราก็มีความสุข ด, ด้เหมือนแต่ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรเพราะการหาความสุดภายในใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเรามารถสร้างความสุขภายในใจได้เราจะไม่เกี่ยวน้อยกับความเป็นความตายของร่างกายจะไม่เกี่ยวน้อยกับความเจ็บไข้ได้เกี่กับความาาเป็นอมตะอมภาด้วยที่ปพิการของร่างกา ย, กาย ถ้าเรายังสามารถหาความสุขได้อยู่ตลอดเวลาน่าเป็นความสุขที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากผ่านทางร่างกายพระพุทธเจ้าจึงเชิญชวนให้พวกเราหมั่นภาวนาการทําจให้สงบกันสร้างความสุขที่ใจดีกว่าสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่อนนงมือเพราะร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไน่นอน เราไม่สามารถที่จะไปพึ่งร่างกายได้ตลอดเวลาเวลาที่พึ่งไม่ได้เวลานั้นเราจะทุกข์ใจมากเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าเราได้ฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิการไปเราก็ยังหาความสุขได้อยู่อันนี้ไม่ามารออทราบว่าปอกคำถาน ที่เขาถามเร่องคไปแล้วก็เราเลยครับงั้นอีกข้อหนึ่งนะครับอาจารย์จากาคุณธรรมนูนเขียวผ่องนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเรียนดูจิตดูใจมาระยะหนึ่งแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้รู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจนจิตเขาชํานาญแล้วเขาก็พอของเขาเอง เขาจะรู้ของเขาเองขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับว่านอกจากนี้มีอะไรอีกหรือไม่ครับทำอย่างไรถึงจะเดินถูกทางครับคือก่อนที่เราจะดูกายดูจิตได้นี้เราต้องมีสมาธิก่อน <c oughs> การดูกายดูจิตนี้เป็นขั้นของปัญญา <c oughs> ถ้าเรายังไม่มีสมาธิใจเป็นกลางนี้เราจะดูกายดูจิตให้เป็นกลางไม่ได้เพราะใจของเราจะมีความโลภความโกรธความหลงมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ดูกายก็จะดูด้วยความโลภด้วยความอยากอยากให้กายอยู่กับเราไปนานๆอยากให้กายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้กายของเราไม่ตายเราจะดูแบบนั้นถ้าดูแบบนั้นดูแล้วมันก็จะทุกข์ใจพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจมีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั่นเองดังนั้นการที่เราจะดูแบบดูบรรใจเป็นอุเบกขาได้ปล่อยวางร่างกายได้ ใจต้องเป็นอุเบกขาก่อนใจต้องมีสมาธิก่อนการทำใจให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยเป็นการทำใจให้เป็นอุเบกขาใจตั้งรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกาลุมสัตว์แล่ว่ารู้เวลานั้นหละใจจะเป็นอุเบกขาใจจะเป็นกลางพอออกจากสมาธิมาเราถึงจะมาดูกายดูจิตได้ดูเพื่อปล่อยวางดูเพื่อไม่ให้เกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ งนั้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิใจเรายังไม่สงบไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นกลางอยู่อยากจะดูกายดูใจดูจิตให้เสียเวลาเลยดูไปก็ดดูแบบเป็นกางไม่ได้ดูแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดภาวะปัญหาเกิดวิภาวะปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าใจเป็นกลางแล้วเป็นสมาธิแล้วทีนี้เราถึงจะดูได้ดูเพื่อที่เราจะได้รักตา คารเป็นกางของสมาธิไว้ต่อไปเพราะถ้าเราไม่ดูด้วยปัญญาพอออกจากสมาธิมาเราก็จะหมดกาลังของอุเบกขาก็จะค่อยๆหมดไปพอหมดไปก็จะเกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาใจก็จะไม่เป็นการใจก็จะไม่สงบใจก็จะทุกข์กับเรื่องราวต่างๆต่ตอไปการทาสมาธินี้ ทำให้ใจเป็นกางได้ช่วระยะสั้นๆคือขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกมาจากสมาธิใหม่ๆเหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นเวลาน้ำแช่ในตู้เย็นน้ำก็จะเย็นพอเอามาจากตู้เย็นที่งไม่สักพักหนึ่งความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปความเป็นอุเบกขานี่ก็เป็นเหมือนความเย็นของใจเวลาอยู่ในสมาธินี้ใจก็จะเย็นใจจะสบายเป็นการ ไม่ว่าวุ่นสิงวัวไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับร่างกายกับจิตใจแต่พอออกมาจากสมาธิใหม่ๆก็จังจะเย็นอยู่จังจะรู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆของร่างกายหรืของจิตใจแต่พอปล่อยไปนา น, านเข้าความเย็นของใจก็จะค่อยๆจางไปถ้าเราไม่ใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ปริยาความเย็นมันก็จะ หายไปหมดแล้วใจก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญามาสอนใจหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเราก็จะสามารถบรรลับความอยากที่เป็นตัวที่ทําให้ใจนี้ร้อนขึ้นมาได้เราก็ยังจะสามารถรักษาความเยน็นรักษาความเป็นกลางของใจได้ด้วยการใช้ปัญญาเช่นพิจารณาร่างกายว่า ร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บ ม, มีตายเป็นธรรมดาอยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอันาขาดเพราะถ้าอยากแล้วก็จะสร้างความทุกข์จสร้างความร้อนจใจขึ้นมาพรเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจของเราก็จะเย็นต่อไปได้เป็นกลางได้เช่นเดียวกับเมตนาก็อยากไปอยากให้มีแต่สุขของเมตนาเพียงอย่างเดียว เพราะร่างกายนี้มันต้องเปลี่ยนไปตามภาวะตามปัจจัยเวลาอากาศร้อนมันก็ทุกเวทนานเวลาอากาศเย็นมันก็สุขเวทนานเวลาผิวมันก็ทุกเวทนานเวลาอิ่น ม, มันก็เป็นสุขเวทนานเราก็ต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ต้องรับกับมันไปไม่ต้องไปอยากไม่เป็นสุขเพียงอย่างเดียวเพราะความอยากนี้จะไปทําลายความสงบ ความเย็นของใจทาให้ใจร่่มร้อนขึ้นมานี่คือการดูกายดูจิต ด, ดูเวทนาเพื่อรักษาความเป็นกลางรักษาความสงบความนิ่งของใจหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วแต่ถ้าเรายังไม่มีความนิ่งความสงบเราก็ไม่สามารถใช้ปัญญาทำให้มันสงบให้มันนิ่งได้มันจะวุ่นไปกับ เ, เรื่องราวต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ พอเห็นผมหลอกขึ้นมาใจก็วุ่นนะเห็นหนังเหวี่ยงขึ้นมาใจก็วุ่นนะเห็นคมเจ็บไข้ได้ตัวยทั้งๆที่เรายังไม่เจ็บล้วก็วุ่นขึ้นมาก่อนนะเห็นคนตายนี่เรายังไม่ทันตายแล้วก็วุ่นขึ้นมาก่อนนะนั่นก็เพราะว่าใจเรามันไม่นิ่งเนี่ยเราไม่สามารถให้มันเป็นกลางให้มันดูเฉยๆได้เราจึงต้องทําสมาธิก่อนเราข้ามขั้นนี้ไปไม่ได้การปฏิบัติ ถ้าใจยังไม่สงบไม่เป็นอิเดขานี้ไป ท, ทางขั้นปัญญาไม่ได้ต้องมีสมาธิก่อนและการจนินสมาธิได้ก็ต้องการเจริญต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมานั่งนี้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องทําสติทั้งวันหรือเจริญสติทั้งวันการเจริญสติก็คือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวไม่ ใ, ใ้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไป โดยให้คิดอยู่กับร่างกายให้ดูร่างกายตลอดเวลาร่างกายทำอะไรก็ให้ต้อง ด, ดูการกระทําของร่างกายจดจออยู่กับการกระทําเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่นี้ในขณะที่กาลังทำกิจกรรมต่างๆอย่างนี้กใจถึงจะมีสติพอมีสติเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้พอใจสงบแล้วออกจากสมาธิทีนี้ก็สามารถที่จะมาดูกายดูจิต ดูตามความเป็นจริงของกายของจุดได้หรือว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ดูว่าจิตนี่มีเปลี่ยนไปได้มีสุขบางวันก็สุกบางวันก็ทุกข์บางวันก็หยุดหยุดบางวันก็รำคาญบางวันก็สงบบางวันก็เย็นสบายบางวันก็เบิกบานมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็อย่าไปวุ่นวายไปกับมันให้รู้ศึกษาดูว่า มีเหตุมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แลาเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลมันได้หรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนเช่นถ้าจิตมีความทุกข์นี้เราก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากความอยากแล้วก็เปลี่ยนได้เราหยุดความอยากความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่บางอย่างเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นทุกขเวทนาที่เกิดจากาการเจ็บไข้ได้ป่วย จะปล่อยจะสั่งให้มันหายไปในทันทีทันใดมันก็ไม่หายแต่ถ้าเรารู้ว่าเรารับประทานยาแล้วไม่ช้ามันก็จะหายได้เราก็รับประทานยาไปเดี๋ยววันสองวันมันก็หายได้เหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาขณะที่มันยังไม่หายเราก็ต้องทําใจสปนอุเบกขาอยู่กับมันไปก่อนหรือว่าไปเจอโรคที่รักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆนี่กิดการใช้ปัญญา สอนใจให้ปล่อยวางให้ทําในสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับต้องอยู่กับมันไปจนกว่าจะจากกันไปคือเวลาร่างกายตา ย, ตา ย, ตายมันก็จะทุกอย่างก็จะหมดไปโรคภยัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปหมดไม่ต้องกลัวเวลาเป็นโรคภยัยไข้เจ็บขอให้เรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันต้องหายแนะ่ๆมันไม่หายด้วยยามันก็ต้องหายด้วยการไม่หายใจ ไม่ต้องกลัวเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นหลงไปยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรามันเป็นกลุ่มที่เรา amateur ใจเป็นผู้เชิกลุ่มใจเป็นผู้สั่งให้กลุ่มนี้ทำอะไรต่างๆสั่ให้ร่างกายมาที่นี่ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้สั่งไม่ใช่สมองใจเป็นผู้สั่งใจไม่ใช่สมองใจเป็นผู้นี้ใจเป็นผู้คิด สมองนี่มีไว้สําหรับควบคุมการเคลื่อนไหวการทํางานของร่างกายนี่คือการปฏิบัติต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนการจะมีสติดได้ก็ต้องมีเวลาให้อยู่ห่างไกลจากเนื่องุ่นวายต่างๆต้องมีต้องไม่มีงานทาําพราะเวลาทํา ง, งานม้องใช้ความคิด ก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้เวลามานั่งสมาธิก็จะไม่สงกนั่งยังไงก็ไม่สนุกเพราะมันไม่ยอมหยุดคิดเราจึงต้องหาวันหยุดหาเวลาว่างไปปิดวปเวไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัด่างกายจากเรื่องราวต่างๆทางกายจากแสงสีเสียงทางกายจากภารกิจการงาน เราจะได้มาควบคุมใจให้คิดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแท้งจากตื่นจนหลับทุกเวลานาทีให้ใจจดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายเวลามีเวลาว่างเราจะมานั่งหลับตาถ้าเราใช้การเฝ้าดูร่างกายเวลาเรานั่งเราก็ดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเดี๋ยวใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราใช้พุโทโธเป็นเครื่องกํากับใจเวลาเรานั่งแล้วก็บริกรรมพุโทโธไปถ้าเวลานั่งเฉยๆเบื่กรรมพุโทโธไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบพอ ม, มีความสงบแล้วใจไปดูแต่บกขาแนละ้วก็ปล่อยให้มันสงบให้นานที่สุดจนกว่ามันจะสังหลบมาเองพอท้องหลบมาแล้วเราเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันรับรู้เรื่องร่างกายเรื่อง อะไรต่างๆเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางวางให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากแล้วเราจะทําให้ความสงบที่เราได้จากสมาธินี้หายไปแล้วจะทําให้ใจเราร้อนขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะรักษาความเย็นความสงบของใจต่อไปได้ นี่คือการการปฏิบัติและเป็นการตอบปัญหาที่ญาติโยมได้ถามผ่านาทาง Facebook